บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งทาตุปะพะคือหมวดที่ว่าด้วยธาตุทั้งสี่ประการนั้นธาตุประการต่อไปก็คือวายโยธาธาตุลมสรงสอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดพินิษพิจารณาลมในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยังได้แสดงถึงองค์กุณของลมเป็นการเปรียบเทียบให้บุคคลหาบทเรียนจากลมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาในองค์กุณเหล่านั้นก็จาแนกแสดงออกไปเป็นหองค์ด้วยกันใือ ป, ประการแรก ลมนั้นลมนั้นพัดไปตามป่าเขาลำนอไพรทำให้กลิ่นหอมแห่งดอกไม้ต่างๆเป็นต้นฟุ้งกระจายไปในข้อนี้ท่านสอนให้บุคคลทำใจเสมอ ด, ด้วยลมโดยการเรียนรู้จากลมมีความเพลิดเพลินมีความยินดีในการศึกษากุศลธรรมทั้งหลาย โดย ม, มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่บิมุติรสคือรสอันเกิดขึ้นจากจิตหลุดพ้นจากกำนาของกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายข้อนี้ดังที่ทราบกันดีอยู่โดยทั่วไปว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะทรงแสดงไว้โดยอเนกกระปริยายแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือพุ่งไปเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นความหลุดพ้นนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆซึ่งบุคคลจาเป็นจะต้องปลูกฝังความพอใจในวิมุตให้บังเกิดขึ้นเมื่อปลูกฝังความพอใจขึ้นมาได้ความเพียรพยายามที่จะสัมผัสในวิมุตเหล่านั้นก็จะติดตามมา แต่บนเส้นทางที่จะดําเนินไปสู่ความหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสและความทุกข์นั้นบุคคลจะต้องมีธรรมกามตาคือมีความยินดีมีความเพลิดเพลินในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่าความเป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินในกุศลธรรมนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติของบุคคล ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในประปราภวันสุเมื่อมีคนมากราบทูลถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนเสื่อมหรือใครเป็นคนเจริญทรงแสดงว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคือผู้ใดเป็นผู้ชังธรรมก็เป็นผู้เสื่อมผู้ใดเป็นผู้ใคลธรรมคือยินดีในธรรมก็จะเป็นผู้เจริญ เพราะความคลังธง ร, รมหรือความอิจฉาราจัยไม่ต้องการสนใจศึกษาเรียนประพฤติปฏิบัติในธรรมะนั้นเป็นการตัดรอนความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการต่างๆในด้านกายด้านวาจาและด้านจิตใจของตนแต่ความเป็นผู้คล้ธรรมเป็นประตูเป็นบันไดที่จะนำบุคคลในก้าวเดินไปประสบความสาเร็จในธรรมะตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตน เพราะฉะนั้นขั้นตอนของวิมุตต์จึงไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวแต่บุคคลสามารถสัมผัสวิมุตตคือความหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ในชั้นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ควรปฏิบัติให้สัมผัสมากที่สุดก็คือการเก็บการสะสมวิมุตติรสไว้ภายในจิตใจของตนด้วยการไม่ลุกอำนาจแก่อารมณ์ที่บางเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ชวนให้เกิดกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงหรือมัวเมาก็ตามมีสติระลึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นหากห้ามใจของตนเองเอาไว้แมเ้เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองเกิดลุ่มหลงเกิดมัวเมาในอารมณ์นั้นๆก็เป็นอันชื่อว่าได้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความมัวเมาไปได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้น จากการกระทำด้วยแรงผลักดันของความกำหนัดกระเทืองรุ่มหลง ม, ม, มัวเมาก็ชื่อวายุติเป็นอันปฏิบัติให้จิตของตนหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์ได้ในชั้นหนึ่งซึ่งการปฏิบัติระดับนี้ผู้ศึกษาธรรมะจะเห็นได้ว่าตัวการสำคัญจริงๆก็คืออยู่ที่สติกับสัมปชัญญะที่จะต้องระลึกรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่า บุคคลไม่จําเป็นจะต้องไปสํารวมระวังทุกอารมณ์แต่ดูเฉพาะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกําหนัดขัดเคลื่องลุ่มหลงมัวเมาเท่านั้นจึงจะมีการระมัดระวังใช้สติระลึกใช้ปัญญาตัดอารมณ์เหล่านั้นไปแต่อารมณ์ใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดคลายขัดเคลืองคลายลุ่มหลงคลายมัวเมาก็สร้างอารมณ์เหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นดํารงอยู่งอกงามภายในจิตใจของตน ซึ่งโดยการปฏิบัติตาม น, นัยนี้จะทำให้ปริมาณของอากุศลลดลงไปภายในจิตใจของตนและเป็นการเพิ่มกุศลขึ้นภายในจิตการปฏิบัติระดับนี้ชั้นนี้จึงไม่มีรูปแบบคือจะอยู่ในที่ใดอิริยาบทใดกาลใดก็ตามถ้าหาก็มีสติสมัมปชัญญะระลึกแทนก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทางใจที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆได้ และความหลุดพ้นประการต่อไปก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามหลักของสถมถะกรรมฐานที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่การที่บุคคลสามารถหลุดพ้นจากอำนาจของนิวรณ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็อยู่ที่การปฏิบัติของบุคคลนั้นว่าสัมผัสความสงบได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าสัมผัสความสงบได้มากนิวรธรรมทั้งหลายก็สงบลงไปได้มาก และเมื่อความเมื่อการปฏิบัติเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็จะสงบกิเลสได้มากขึ้นซึ่งก็หมายความว่าหลุดพ้นได้นานขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติจนสึงถึงสามารถตัดขาดไปได้คือตัดความประพฤติการกระทําที่นําความเดือดร้อนมาแก่ตนบางอย่างขาดไปได้ก็จะเป็นความหลุดพ้นอย่างถาวรในจุดนั้นๆและในจุดใดที่บุคคลตัดได้ขาดเลิกละไปแล้ว กิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีจะไม่เกิดขึ้นในจุดนั้นแม้ว่าบุคคลทั้งหลายเราอื่นประสบความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแต่ตนจะไม่มีความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นข้อนี้พึงดูตัวอย่างเช่นบุคคลที่เลิกละสุราเลิกละสิ่งเสพติด ต, ต่างๆได้เลิกละอบายมุกไปได้เด็ดขาดก็เป็นความหลุดพ้นโดยเด็ดขาดระดับหนึ่ง ในขณะที่บุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นผู้ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดเหล่านั้นของอบายมุขเหล่านั้นกําลังประสบความเดือดร้อนอยู่ตนก็ไม่เกิดกิดเลสและไม่ประสบความทุกข์ในจุดนั้นๆการปฏิบัติทางาศาสนาจึงเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่ามีการศึกษาโดยลําดับปฏิบัติโดยลําดับและปฏิบัติรรลุไปโดยลําดับวิมุติบุคคลจึงสามารถสัมผัสได้ในระดับนั้นๆตามสมควรแก่ขั้นตอนที่ตนประพฤติปฏิบัติได้ ประการต่อไปนั ice, ant, well, so ้นลมสามารถพัดทำลายสิ PA, ส่งต่างๆที thu, ่กีดขวางตนอยู่ให้พังพินาศไปได้ข้อนี้ท่านสอนว่าบุคคลทั้งหลายผู้ใคร่ทำก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการในด้านจิตใจของตนก็มองให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษ จึงจะต้องทำลายล้างบันเทาระงับให้สิ่งเหล่านั้นดับไปสิ่งที่เป็นโทษโดยส่วนเดียวนั้นก็คือความรุนแรงแห่งกิเลสทั้งหลายอย่างที่ทราบกันประการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเมื่อราวโดยสรุปก็คือปหาณนะละกับภาวนาบำเพ็ญกระทำให้บังเกิดขึ้นก็มีเรื่องอยู่สองเรื่องซึ่งมีรากอยู่สองรากรากนึ่งก็คือรากของอวิชชา นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆรากหนึ่งก็คือรากวิชานำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าความสุขความสงบในด้านต่างๆปันกิเลสซึ่งสืบเรื่องมาจากอาวิชชาที่สําแดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆนั้นท่านก็สอนให้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาดูโดยแยกไขให้เข้าใจถึงสถานะ โทษที่จะเกิดขึ้นจากกิเลสเหล่านั้นโดยท่องแท้แก่ใจของตนเองแล้วเพียนพยายามประพฤติปฏิบัติขัดเกลาทําลายล้างอารมณ์เหล่านั้นใกิเลสเหล่านั้นให้บาบางลงไปซึ่งแน่นอนว่าการทําลายกิเลสนั้นบุคคลจะต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่ากิเลสนั้นสั่งสมสันดานของตนมาเป็นเวลานั้น ในขณะเดียวกันสันดานของบุคคลก็ไม่ได้เก็บสั่งสมเฉพาะกิเลสเพียงอย่างเดียวแต่เก็บสั่งสมธรรมะเอาไว้เป็นอันมากเช่นเดียวกันภายในจิตสันดานของบุคคลจึงเก็บสะสมไว้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งส่วนที่เป็นอกุศลได้ทั้งส่วนที่เป็นกุศลปัญหาสําคัญในชีวิตประจําวันของบุคคลก็คือการเพียรพยายามละสิ่งที่เก็บสะสมไว้อันมีผลเป็นความเดือดร้อนแก่ ต, ตนให้เบาบางลงไป เพิ่มพูนส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งก็เก็บสะสมเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดสามารถปฏิบัติจนถอนรากถอนโคนและใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาถึงสังขารทั้งหลายตัวการสำคัญจริงๆแล้วจะพบว่ากิเลสซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆออกไปนั้น นำความทุกมาสู่บุคคลได้ก็ด้วยการกําหนดหมายและความยึดมั่นถือมั่นในศาสตร์ในสังขารทั้งหลายโดยความเป็นเราของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตามแต่และอย่างนั้นเป็นทางแห่งความทุกความเดือดร้อนทั้งนั้นดังนั้นบุคคลจะต้องพิจารณาสังขารใ้เห็นตามความเป็นจริงทางใน ล, ลักษณะที่รวมกันอยู่คือเกาะกลุ่มกันอยู่และลักษณะที่แยกออกไป การเพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นก็จะยึดอยู่สองแนวคือแนวรวมกับแนวแยกมีการกําหนดหมายบางจุดของสิ่งเหล่านั้นว่าน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจนี่เป็นการกําหนดในแนวแยกกําหนดในแนวรวมก็คือกําหนดรวบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุสิ่งของทั้งชิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งสัตว์ไปเลยว่าน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจ เพราะนั้นเวลาใช้ปัญญาแยกแยะพินิษพิจารณาก็จะต้องพิจารณาทั้งสองด้านเพื่อทายถอนความยึดติดทั้งสองด้านดังกล่าวคือต้องพิจารณาในแง่แยกโดยแยกสิ่งที่เกาะกลุ่มกันอยู่ออกเป็นสั์เป็นส่วนอย่างที่ทรงอุปมาไวในทาตุปปาะะคือหมวดที่ว่าด้วยธาตุนั่นเองทรงแสดงเห็นว่าแท้จริงแล้วสังขารทั้งหลายนั้น เมื่อเกาะกลุ่มกันอยู่ก็เป็นคนเป็นสัตว์มีการสมมติมีการบัญญัติกันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาแต่เมื่อแยกออกไปแล้วก็หาความเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีโดยทรงยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนฆ่าโครหรือลูกน้องของคนฆ่าโคที่ฆ่าโคตัวหนึ่งแล้วก็แยกส่วนต่างๆของโคกองไว้ในทางสีแพร่งเพื่อไปขายแก่คนผู้ต้องการสิ่งต่างๆจากตัวโค แต่ในขณะนั้นไม่มีความเป็นโครปรากฏอยู่แล้วมีอยู่เพียงหนังโคเขาโคตับไตไส้พุงของโคเนื้อของโครกระดูกของโคเป็นต้นความเป็นโคก็หายไปนี่คือเป็นการมองแบบแยกเพื่อเห็นว่าแท้จริงแล้วก็เป็นการเกาะกลุ่มของสังขารทั้งหลายและแม้ตัวสังขารทั้งหลายเองมันก็เป็นการเกาะกลุ่มของส่วนย่อยกว่าตัวเองออกไปอีกเพื่อจะถ่ายถอนความกําหนัดความขัดเคืองในสิ่งเหล่านั้นลงไป และในกรณีของการมองในในแง่รวมก็เหมือนกันซึ่งตามปกติแล้วก็ต้องมองให้ให้เห็นในแง่ของความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะไม่ได้มีการกำหนดหมายจะมีความยึดความติดตัวสิ่งนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนให้เกิดความเพลิดเพลินระงลงบวมหมออยู่ในอารมณ์หลงนั้นเมื่อสามารถมองได้เห็นได้เช่นนี้ก็ อาจทายถอนตานหาพร้อมทั้งมูลรากในอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้ความโปร่งเบาสบายความสงบใจก็จะบางเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นประการต่อไปท่านสอนว่าลมนั้นได้พัดไปในอากาศที่ต่างๆทุกขนทุกแข่งซึ่งในกรณีนี้ท่านก็สอนโดยอุปมาว่าบุคคลทั้งหลายก็ควรทาใจเช่นเดียวกัน ให้ล่องลอยไปในอารมณ์เหล่านั้นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือให้ท่องไปในกุศลแธรรมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลก็ต้องคิดเป็นธรรมดาเนื่องจากสภาวะของจิตก็ได้แก่คิดอารมณ์เก็บอารมณ์รู้อารมณ์แต่เมื่อจําเป็นจะต้องคิดซึ่งเป็นภาระหน้าที่ ท่านก็สอนให้ดึงความคิดมาคิดเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลนธรรมซึ่งจะน้อมนำความสุขความสงบให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนเจนยามใดที่ใจฟุ้งไปสายไปในอารมณ์ภายนอกจึงมาสายไปมากข้าวแล้วก็จะเกิดความร่ารรอนความเศร้าซึมต่างๆขึ้นภายในจิตใจก็ดึงจิตเหล่านั้นกลับมาทำนองเดียวกับบุคคลที่เลี้ยงดูลูกหลาน หรือเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กก็อาจจะปล่อยให้เด็กแกเล่นอยู่ในจุดบางจุดแต่เมื่อเห็นว่าเด็กแกจะหกลม้มจะพลั้งพลาดหรือจะลื่นถลไม้ไปในที่อื่นๆ่อาจจะเป็นอันตรายแกเด็กก็ไปดึงเด็กกลับมาให้อยู่ในจุดที่ควรอยู่ซึ่งเป็นความสวัสดีความปลอดเวณปลอดภยัยแกเด็กเหล่านั้นฉันได้การควบคุมความคิดของตนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้น เมื่อจิตสายไปในอารมณ์บางอารมณ์ซึ่งอาจเกิดเพิ่มความร่าเรอนด้วยเพลิงกิเลสข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาก็ดึงจิตเหล่านั้นกลับมาแต่กลับมาจิตก็ต้องคิดเพราะกก่อยู่นิ่งไม่ได้ก็ดึงความคิดเข้าหาจุดที่เป็นกุศลซึ่งความคิดในแนวทางกุศลนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ไม่อื่นไปจากสมาสังกปะคือความดำริชอบหรือที่เรียกว่าเป็นกุศลรัวิตก คือความสึกนึกของผู้ฉลาดความสึกนึกที่เป็นการเพิ่มพูนความดีขึ้นความสึกนึกที่เป็นกุศลหมายถึงการสึกนึกมองให้เห็นโทษของสังขารธรรมทั้งหลายที่ใจของบุคคลตกไปและมีการกำหนดหมายว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจพยายามที่จะหาความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นในอารมณ์เหล่านั้นว่าแกนแท้ของความจริงแล้ว ก็ไม่ใช่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจอะไรก็ดึงจิตเข้ามานึกถึงในแง่ของเหตุของผลที่จะบรรทอนความกำหนัดแอารณ์ต่างๆออกไปเพื่อจะตึกนึกไปในความไม่พยาบาทให้จิตอยู่ด้วยเมตตากรุณามองสัตว์มองสังขารทั้งหลายโดยมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานข้อนี้จะพบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นทรงมีพระมหากรุณาเป็นพื้นอัธยาสัย สเสด็จไปในที่ต่างๆด้วยมีกรุณาเป็นปุเรจาริกคือนําไปข้างหน้าแต่เวลาสอนพุทธบริษัททางหลายผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นทรงสอนให้มีเมตตาเป็นบุเรจาริกคือมีความเมตตาไปข้างหน้ามีความรักมีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นหวังดีต่อบุคคลอื่นต้องการที่จะเห็นสัตว์อื่นบุคคลอื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกัน ใครอยู่ดีมีสุขเป็นอย่างไรก็ให้อยู่ดีมีสุขตามสามสควรแก่ฐานะของตนคนใดที่ประสบความพิบัติตกตามลงก็ใช้ความกรุณาเข้าช่วยเหลือสนับสนุนดังนั้นเมื่อจิตอยู่ในลักษณะนี้ก็จะเป็นจิตที่เยือกเย็นมีความสงบเป็นการเพิ่มพูนกุศลธรรมเป็นอันมากให้บังเกิดขึ้นดังที่เคยกล่าวมาครั้งหนึ่งว่าเมตตาจิตที่ตั้งเอาไว้นั้น เป็นฐานรองรับกุศลคือคุณความดีมีประการต่างๆเช่นตัวอย่างศีลทั้ง5ประการนั้นถ้ามีฐานจิตอยู่ที่เมตตาแล้วศีลก็ไม่ต้องสำรวมระวังไม่ต้องสมาทานอะไรเพราะจะเป็นศีลไปเองและเป็นไปโดยอัตโนมัติจะควบคุมอาการกายวาจาไว้ได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจจะสงบใจจะเยือกเย็นแทนที่จะต้องระมัดระวังกันมากมายทั้ง5ข้อก็คุมใจไว้ที่เมตตาเท่านั้นเอง และใจจะคุมกายกับคุมวาจาให้เป็นศีลไปเองโดยอันตโนมัตินั้นฐานของใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาจึงเป็นฐานใจที่ควรแก่การเที่ยวไปของบุคคลทั้งหลายซึ่งหมายความว่าเวลาตรึกนึกก็ให้ตรึกนึกด้วยที่ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยความคลายกำหนัดประกอบด้วยปัญญาเป็นหลักในการปีนิดพิจารณาเพราะปัญญานั้นท่านอุปมาเหมือนเปรีที่เป็นเครื่องนําไปข้างหน้าเป็นเครื่องส่องทางการดําเนินชีวิตของบุคคล เมื่อบุคคลได้อาศัยประทีคือปัญญาเป็นเครื่องสองทางไปแล้วการดำเนินการประพฤติปฏิบัติของบุคคลก็จะพบทางดำเนินที่เป็นไปเพื่อความสวัสดีแก่ตนที่ท่านเรียกว่าเป็นสุกตคือไปดีสถานที่ไปก็เป็นสุกติคือคติที่ดีสาหรับบุคคลพูดนั้นประการต่อไปนั้นท่านแสดงว่าลมพัดดอกไม้ กลิ่นของดอกไม้ต่างๆให้ตลบฟุ้งกระจายไปในที่ต่างๆข้อนี้ฉันใดบ้บุคคลบุคคลผู้มีความใคร่ทำก็ควรเรียนจากลมในลักษณะเช่นเดียวกันนั้นบรรดากลิ่นทั้งหลายนั้นกลิ่นของดอกไม้ไปได้เฉพาะทวนลมเฉพาะตามลมแต่ไปทวนลมไม่ได้แต่ว่ากลิ่นที่ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมนั้น ก็คือกลิ่นของศีลซึ่งก็หมายความว่ากลิ่นของความชั่วก็ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมแต่กลิ่นความชั่วเป็นกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาต้องการจะสูดดมเกี่ยวข้องของบุคคลทั้งหลายเช่นเดียวกับกลิ่นเหม็นทั้งหลายนั่นเองดังนั้นเวลาทรงแสดงยังโทรงแสดงว่าศีลกันโทอนุตโรบรรดากลิ่นทั้งหลายนั้นกลิ่นของศีลเป็นยอดดังนั้นบุคคลแต่ละคน ซึ่งได้ศึกษาได้สมาทานในศีลตามสมควรแก่ฐานะของตนก็อาจอาศัยศีลานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงศีลของตนแต่ละครั้งแต่ละโอกาสคือย้อนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นถึงท่นานใช้ํานวนว่ามณทนแห่งการสมาทานศีลคือเริ่มจากการสมาจารทานศีลไปเทียนยกตัวอย่างว่าสมาทานศีลตอนเช้า พอตกเย็นก็มองย้อนกลับมาจากเช้าถึงเย็นว่าตั้งแต่สมาทานศีลมานี้จะเป็นศีลห้ศีล8หรือศีลอะไรก็ตามเราสามารถประพฤติปฏิบัติในศีลให้มีความปกติให้มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเมื่อพิจารณาไปแล้วนาเห็นว่าศีลของตนเองไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่รักษาศีลด้วยการถูกบังคับบัญชา แต่เป็นการกระทําด้วยความสํานึกวศีถนี้เป็นการดีแล้วก็รักษาศีลนั้นไปจิตใจของบุคคลก็จะเกิดความปีติปราโมทย์มาพิจารณาถึงตนเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้โอกาสที่มีพระพุทธศาสนาเผยแพร่อยู่ สิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายสัมผัสได้ยากสี่ประการคือการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การฟังพระสธรรมการดำรงชีวิตอยู่โดยปกติและการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเราได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นศีลอันประโลกก็ น, น่าสงบัญญัติไปเราก็ได้รักษาสมาทานให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วความปีติปราโมทย์ก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจ ในแต่ทําให้เกิดฉันทะอุตสาหะในการประพฤติปฏิบัติมากยิ่งขึ้นข้อนี้จะเห็นว่าตัวปีตินั้นเวลาก่เกิดขึ้นทั้งจุดหนึ่งแล้วจะแผ่ไปทั่วสรีระร่างกายและจิตใจของบุคคลมีความโปร่งเบาบังเกิดขึ้นภายในใจในขณะนั้นนั้นต่อจากนั้นจะมีความสงบเป็นลักษณะของธรรมะที่ท่านเรียกว่าปัสสธิคือความสงบใจแล้วใจก็จะน้อมเข้าหาสมาธิ เป็นความสงบที่คืบคลานดําเนินไปสู่ระดับสมาธิในแต่ละขั้นแต่ละตอนซึ่งก็หมายความว่าศีลานุสติในแนวนี้บุคคลก็อาจจะระลึกในที่ใดก็ได้ดูในอิริยาบถใดก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะนั่งอยู่ในรถหรือก่อนที่จะนอนเป็นต้นก่อนที่จะนอนแต่ละคืนกว่าจะหลับก็ดึงเอาศีลที่ตนสมาทานมาหรือแม้ความดีอย่างอื่นเช่นจาคานุสติเป็นต้น คือระลึกถึงการบริจาคของตนแล้วพิจารณาเห็นถ้าไม่มีความบกพร่องความผิดพลาดบังเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นปิติปราโมทก็จะเกิดขึ้นทําให้บุคคลได้สูดกลิ่นศีลของตนเป็นความเอิบอิ่มเป็นความสุขเป็นความสงบที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในขณะนั้นๆและประการต่อไปก็คือลมนั้น พัดไปในที่ต่างๆอยู่โดยไม่ติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะคือก็ไปเขาเรื่อยๆ บ, บุคคลผู้ไข่ธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะต้องเป็นผู้ไม่สยบไม่ติดอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในที่นี้นั้นบางครั้งก็เน้นไปในชั้นสูงแต่ก็มุ่งเฉพาะพวกที่บวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรคือไม่ติดที่ แต่สาหรับสาธุชนทั่วไปก็คือไม่ข้องไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายโดยการใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจถึงอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่ข้องไม่ติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่กำหนัดหรือขัดเคืองก็ตามเพราะปัญหาหัวใจที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายนั้นก็อยู่ที่ความข้องความติดความยึดในอารมณ์ต่างๆนั่นเองอย่างที่สวดการในบททำวัดเช้าและสวดการทั่วๆไป ซึ่งทรงแสดงพวกปักินกาทุกข์คือทุกจรทั้งหลายไว้ยว่าแท้ที่จริงแล้วคือนับออกไปได้มากมายไกลกองนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เกิดจากความยึดความติดของบุคคลที่ทรงใช้คําว่ากล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเหล่านั้นเองเป็นความทุกข์แต่นั้นอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งคืออีกด้านหนึ่งก็คือความไม่คล่องไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออดิตอารมณ์ที่เป็นอดิตอารมณ์ที่เป็นอดิตนั้นพระพุทธศา ส, าสนาสอนในแง่เป็นบทเรียนแต่ไม่ใช้สอนในแง่ที่จะนำมาวิตกกังวลเดือดร้อนหรือขวายคว้าสแสวงหาเพราะอะไรเพราะการขวายคว้าก็เป็นการขวายคว้าที่ไม่อาจสมหวังได้การวิตกกังวลเดือดร้อนถึงเรื่องราวที่เป็นอดิตเป็นการพลาดผ่านเวลาของตนไป โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอดีตนั้นที่ดีก็ดีไปแล้วที่ไม่ดีก็ไม่ดีไปแล้วก็เท่านั้นเองคกอจะไปเพิ่มความดีในอดีตไม่ได้นอกจากจะสร้างความดีเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเรื่องของความผิดพลาดบกพร่องในอดีตเราก็จะตามไปแก้ไขไม่ได้นอกจากจะสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันเท่านั้นเองดังนั้นเรื่องของอดีตที่ผ่าผานเวลาชีวิตของบุคคลเป็นนันมากนั้น ถ้าหากว่าไม่สามารถถ้าสามารถปล่อยวางจิตใจไม่ให้คล้องไม่้ติดในอารมณ์ที่เป็นอดีตพยายามอยู่ด้วยปัจจุบันเพียงอย่างเดียวทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะในขั้นของการประพฤติปฏิบัติและแม้แต่ในชีวิตประจำวันของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นอดีตเป็นเพียงบทเรียนอนาคตอาจจะเป็นเพียงความหวังแต่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้ สิ่งที่จะนำบทเรียนมาใช้ได้จริงๆก็คือการนำมาใช้ในปัจจุบันเท่านั้นเองในเรื่องของอารมณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความคล้องความติดความเหนียวยึดเรื่องอารมณ์ในอดีตความผิดหวังหรือแม้หรือแม้แต่ความสงังก็ตามเรื่องอดีตนั้นเป็นการสูญเปล่าของเวลาแห่งชีวิตและาหาก็มีการยึดมั่นถือมั่นอยู่มากความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นมาก ดังนั้นพระผู้มีพระภาคกิณสงแสดงไว้ว่าทำทั้งหลายบุคคลไม่ขวรยึดมั่นถือมั่นและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวยังได้รับสั่งไว้ก่อนจะสวรรคตว่าสิ่งใดที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะมีโทษเป็นอนันไม่มีเลยดังนั้นบทเรียนจากลมในความไม่คล้องไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายคือพร้อมที่จะพัดผ่านไป และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลมพร้อมที่จะพัดผ่านทั้งอทั้งกลิ่นที่สะอาดและไม่สะอาดหรือสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดโดยไม่เกาะติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งสองประการเป็นบทเรียนอีกประการหนึ่งเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายของการกำหนดหมายอารมณ์ของบุคคล น, นั้นก็คือกำหนดหมายด้วยหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจกับไม่หน้าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่หน้าพอใจ แต่ถ้าบุคคลทําใจให้เหนืออารมณ์ทั้งสองประการนั้นได้เกลลมทั้งสองประการนั้นก็จะไม่มีอํานาจอิทธิพลครอบงำจิตใจของตนเองความโปรง่งความเบาความไม่พนุมพลังภายในใจก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นนั้นลมจึงกลายเป็นครูในการเรียนรู้แนวทางแห่งการดําเนินชีวิตของบุคคลผู้ใลคร่ทำ เพราะลมก็เป็นส่วนหนึ่งของคนคนก็เป็นส่วนหนึ่งของลมลมจึงกลายเป็นครูของคนได้พร้อมกับที่จะทำลายบุคคลได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสแสวงหาประโยชน์จากลมของบุคคลเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสื่อต่อไป